3. พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือวิธีเจริญวิปัสสนากรรมาฐานวงเล็บเปิด9กุมภาพันธ์ในวงเล็บสองวงเล็บปิดพวกเราเรียนไปเยอะแล้วนะอยู่ที่ต้องทำเอาแล้วหลวงพ่อสอนหลักให้ทุกวันในหนังสือก็มีในซีดีก็มีเดี๋ยวนี้ในโทรทัศน์เคเบิลทีวีก็เอาไปออกในวิทยุก็มีไปในสื่อน า, นาชนิดแล้ว ธรรมะที่สอนมันกระจายกว้างขวางขึ้นแล้วสิ่งที่พวกเราต้องเรียนคือหลักของการปฏิบัติหลวงพ่อพยายามสอนหลักของการปฏิบัติทุกวันไม่เคยเว้นเลยเราจะต้องเจริญสติวัตถุประสงค์สูงสุดของการปฏิบัตินั้นคือเราต้องพ้นทุกถ้าใครเขาถามว่ า, าศาสนาพุทธสอนอะไรต้องตอบให้ถูกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่มีทุกข์แล้วก็จมอยู่กับความทุกข์หรือมีทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักทุกข์ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เราต้องเรียนเรื่องทุกข์คือกายกับใจนี่แหละกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือให้รู้ทุกข์ให้รู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะคนไหนมาใหม่ๆยังสงสัยว่ามันจะได้ผลหรือขนาดดิ้นรนหนีความทุกข์ถ้าเป็นแทบตายยังไม่พ้นทุกข์เลยพระพุทธเจ้ากลับบอกให้รู้ทุกข์ บางทีครูบาอาจารย์พูดมากกว่านั้นอีกว่าถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมไปถึงโน่นเนะี่ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็เพลินสิเราก็เพลินหลงโลกไปหลงโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งแป๊บเดียวก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปแล้วชีวิตไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัวไปเลยถ้าเราเห็นทุกข์แล้วใจมันก็อยากจะพ้นที่นี้พอใจอยากจะพ้นแล้วถ้าเป็นชาวพุทธที่ดีก็ต้องมาศึกษาวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้คือวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐาน หลายคนบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่เวลาลงมือปฏิบัติทำแต่สมถะเออะก็จะให้ใจสงบอย่างเดียวเลยคิดว่าต้องทำความสงบสงบแล้วจะเกิดปัญญามันคนระเรื่องกันสงบมันก็คือการพักผ่อนเหมือนอย่างเรานอนมากๆแล้วจะให้รวยขึ้นมามันไม่รวยหรอกต้องขยันทำมาหากินมันถึงจะรวยการปฏิบัติก็เหมือนกันจะทำแต่ความสงบอย่างเดียวก็คือนอนพักทั้งวันเลยไม่พอต้องมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั่นแหละ เรียกว่าวิปัสนาานปสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษอันแรกเห็นอะไรอะไรที่เรารู้สึกเป็นตัวเราให้เราเห็นอันนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูสิ่งที่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดตัวเราสิ่งที่เป็นตัวเราก็มีแต่กายกับใจนี่แหละดูลงไปสิมันเป็นเราจริงไหมถ้าวันหนึ่งเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรากายกับใจเป็นตัวทุกข์แต่มันไม่ใช่เราหรอก คราวนี้ความทุกข์จะมีอยู่เพราะกายกับใจยังมีอยู่ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเราที่เป็นทุกข์ขันมันเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่เราเป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วฝึกเบื้องต้นก็ได้แค่เห็นความถูกคนที่เห็นถูกเขาเรียกพระโสดาบันเฝ้ารู้เฝ้าดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันปิ๊งขึ้นมากายนี้มันทุกข์จริงๆกายนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองพอปัญญามันแจ้งอย่างนี้มันจะหมดความยึดถือในร่างกายนี้เมื่อหมดความยึดถือในร่างกายต่อไปร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตใจไม่ทุกข์ด้วยแล้วเพราะเราไม่ได้ยึดถือมันความทุกข์ทั้งหลายมันเข้ามาสู่ใจเราได้เพราะเราไปยึดถือไว้หลวงพ่อยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะ สมมติกระติกใบนี้กับพัดอันนี้พวกเราคิดว่าอันไหนหนักกว่ากันยังดูด้วยตาเราก็ต้องว่ากระติกหนักกว่าใช่ไหมมันเป็นเหล็กมีน้ําด้วยพัดนี่เบานิดเดียวหลวงพ่อแว่งได้กระติกหลวงพ่อแกว่งไม่ไหวเราดูว่ากระติกหนักพอหลวงพ่อวางกระติกนี่ลงไปไม่หนักแล้วคล่องแคล่วกว่าซะอีกถ้าเราไม่ยึดถือไว้ไม่แบกหามไว้เราก็ไม่หนักถ้าเราไม่ยึดถือในกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายจําไว้นะ ถ้าเราไม่ยึดถือในจิตเราจะไม่ทุกข์เพราะจิตจิตเราต้องรับอารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวคิดเดี๋ยวนึกเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวแต่งรับอารมณ์ตลอดเวลาเพราะจิตมีหน้าที่รับอารมณ์ถ้าเราเห็นมันทำหน้าที่ของมันนะเราไม่เดือดร้อนด้วยอย่างไปเห็นของที่สวยๆก็ช่างมันจิตมันไปรู้ได้ยินเสียงเพราะๆจิตใจมันก็เป็นคนไปฟังเสียงอะไรอย่างนี้เราไม่ยึดถือมันเราก็ไม่ทุกข์เพราะมัน มันจะได้ยินเสียงดีได้ยินเสียงไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์กับมันเราไปยึดถืออะไรไว้เราก็ทุกข์เพราะอันนั้นยกตัวอย่างอย่างเราไปรักสาวสักคนหนึ่งเราต้องเอาใจใส่เขามากเลยใช่ไหมเราต้องเอาอกเอาใจเพราะเรารักเขามากยิ่งเรารักอะไรมากเรายึดอะไรมากเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละถ้าเราไม่รักเราไม่ทุกข์หรอกแต่ไม่ใช่เกลียดนะเกลียดเป็นรักเหมือนกัน แต่เป็นรักแบบติดลบคือยังผูกพันเหมือนกันแต่ผูกพันแบบอยากเอาเท้ายันออกไปถ้าผูกพันทางบวกก็คืออยากเอามือดึงเข้ามาก็คือยังไปยุ่งยังไปให้ค่าอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังให้ค่ากับสิ่งใดเราก็ยังทุกข์เพราะสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าคนมีนาก็ทุกข์เพราะนาเช่นกลัวคนอื่นมาบุกรุกนาเราคนมีวัวก็ทุกข์เพราะบัวสมัยพุทธกาลก็มีนามี ว, วัวถ้าเดี๋ยวนี้คนมีรถเก๋งก็ทุกข์เพราะรถเก๋ง ทุกเมล่ะตื่นเช้าขึ้นมาต้องหาอะไรมาป้อนมันแล้วใส่น้ํามันให้มันกินกว่าจะขึ้นไปนั่งมันได้ต้องปัดกวาดเช็ดถูอาบน้ําให้มันอีกต้องดูแลมันมากมายเลยไปจอดอยู่เดี๋ยวคนมาเจาะยางบ้างเดี๋ยวคนเอาหินมาขวนเอาเหรียญมาขีดข้างรถบ้างกลุ้มใจนี่รักอะไรก็ทุกเพราะอันนั้นแหละสิ่งที่เรารักมากที่สุดคือกายนี้ใจนี้ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของที่น่ารักหรอกแต่เป็นของที่เป็นทุกข์ เราก็จะไม่รักมันหมดความยึดถือมันถ้าเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจถ้าไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจก็ไม่มีอะไรจะทุกข์อีกแล้วเพราะของอื่นๆก็เป็นของที่เนื่องไปจากกายจากใจเช่นสมมติว่าหลวงพ่อรักจีวร น, นี้มากเลยทำไมรักมากเพราะเราเอามาห่มอยู่ใช่ไหมถ้าไม่งานเราจะไม่มีใช้เรารักมากรักจีวร น, นี้ก็เพราะมันเนื่องด้วยกายของเรา รักอันโน้นรักอันนี้เพราะมันเนื่องด้วยกายด้วยใจทั้งนั้นฉะนั้นถ้ากระทั่งกายกับใจยังไม่รักมันก็จะไปรักอะไรก็ไม่มีอะไรให้รักถ้าไม่ยึดกายไม่ยึดใจก็ไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วของอื่นๆมันเนื่องไปด้วยกายด้วยใจอย่างเรารักบ้านเพราะมันเป็นที่อยู่ของเรารักลูกรักสามีรักภรรยายอย่างนี้เพราะมันเป็นของเราร่างกายนี้ก็ของเราอะไรๆก็ของเราแล้วของเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของแปรปรวนทั้งหมดเลย ไม่มีอะไรคงที่หรอกแปรปรวนไปเรื่อยอยังเราเลี้ยงลูกมานะเราดูแลใกล้ชิดหวังว่าลูกจะใกล้ชิดกับเราตลอดเวลาเปล่าพอโตขึ้นมันก็ไปใกล้ชิดคนอื่นฝ่ายเราเป็นตาแก่ยาแก่เฝ้าบ้านไปสิใช่ไหมนานๆามาทีหนึ่งเราก็ต้องไปใกล้ชิดกับหมาแทนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปชีวิตมันเป็นอย่างนั้นรักอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นจาไว้นะถ้าไม่รักไม่ทุกข์หรอกเมื่อก่อนเคยอ่าน ในเรื่องการมนิทวาสิทธิบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก์แมมฟังแล้วไม่ชอบเลยสมัยเราวัยรุ่นเราต้องบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีความสุขสิถ้าเสียความรักไปต่างหากละ่ะจะทุกข์นี่มองแบบเด็กๆแต่ถ้าเราเสียของที่เราไม่รักเราไม่ทุกข์ใช่ไหมที่เสียของที่รักไปแล้วทุกข์ก็เพราะว่ารักนั่นแหละรวมความแล้วก็คือเรารักในสิ่งใดเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือกายกับใจนี้แหละ พระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราทำวิปัสนาแล้วคอยดูความจริงของกายซิว่ากายนี้น่ารักจริงไหมดูความจริงในจิตใจของเราจิตใจน่ารักจริงไหมดูของจริงไม่ใช่คิดเอาหลายคนเรียนธรรมะด้วยการพยายามคิดพระพุทธเจ้าสอนอะไรมันต้องเป็นเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งคิดคิดคิดคิดหาเหตุหาผลไปวิเคราะห์ใหญ่เลยนั่นไม่ใช่ชาวพุทธที่ดีชาวพุทธที่ดีไม่คิดเอาชาวพุทธที่ดีต้องคอยรู้เอา พระพุทธเจ้าสอนให้ทำวิปัสนาวิปัสนามาจากคำว่าในเครื่องหมายคำพูดวิคือวิเศษและคำว่าในเครื่องหมายคำพูดปัตสนะคือการเห็นเห็นตามความเป็นจริงหรือเห็นอย่างวิเศษเลยเห็นของจริงของจริงในกายในใจคอยรู้กายคอยรู้ใจไปอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาดูไปเรื่อยๆจนโอ้กายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลย แต่เดิมเราไม่เคยทําวิปัสนาก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนานๆจะทุกข์สักทีหนึ่งต้องเข้าโรงพยาบาลถึงจะทุกข์หรือถูกรถทับไปแล้วถึงจะทุกข์อยู่เฉยๆยังไม่ทุกข์หรอกแต่พอมหัดทําวิปัสนาเราจะเห็นเลยว่าทุกข์ตลอดเวลาเช่นเราหายใจออกไปปเดี๋ยวมันก็ทุกข์แล้วต้องหายใจเข้าหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหมหายใจเข้าไปเรื่อยๆอ้าวทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้ว กระทั่งการหายใจก็หายใจสู้กับความทุกข์เรานั่งอยู่เฉยๆก็เมื่อยใช่ไหมนั่งก็ต้องขยับไปขยับมานั่งนานๆทนไม่ไหวทุกข์บีบคั้นมากบางคนเป็นอัมาพาตกระดุกกระดิกไม่ได้นอนไปนานๆไม่มีใครมาช่วยเหลือไม่มีคนมาจับพลิกก็เป็นแผลกดทับมันทุกข์ทั้งนั้นเลยยืนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ใครว่านอนไม่ทุกข์นอนกลางคืนทําไมเราต้องนอนพลิกไปพลิกมาก็เพราะมันทุกข์ นี่ความทุกข์มันบีบคั้นกายนี้ตลอดเวลาเลยหายใจเข้าหายใจออกก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์อะไรอะไรก็ทุกข์หมดเลยนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูนะโอ้มีแต่ภาระมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยกระทั่งสติปัญญามันพอนะมันจะรู้สึกเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ของน่ารักแล้วแต่ว่ามันหนีไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ต้องเอากายไปด้วยใช่ไหมหนีไม่ได้ เมื่อนีไม่ได้ก็ต้องรู้จักมันรู้ไปว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้อย่าไปคาดหวังเลยว่ามันจะไม่ทุกข์เพราะเราเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์แล้วเราไปคาดหวังว่ามันจะไม่ทุกข์นี่ไร้เดียงสาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราคาดหวังว่ากายกับใจเราจะต้องไม่ทุกข์แต่ท่านสอนให้เราเห็นความจริงว่ามันทุกข์นะทุกข์แล้วหนีไม่ได้ด้วยไปไหนเราก็เอากายไปไปไหนเราก็เอาใจไปด้วยฉะนั้นทาอย่างไรเราจะอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ล่ะ ก็อยู่กับมันแบบไม่ยึดถือมันสิมันเป็นอย่างไรก็แค่รู้ไปอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินร้ายกับมันเฝ้ารู้ลงไปรู้ลงไปจนเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจก็เป็นกลางหมดความยินดีหมดความยินร้ายคนทั่วๆไปพอเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ก็จะยินร้ายที่นี่เพอเอิญกลายเป็นทุกข์นี่ยินร้ายไม่ได้ถ้าเห็นคนอื่นแล้วเป็นทุกข์นะเห็นหน้าคนนี้แล้วเราเกลียดหรือเรามีความทุกข์นะเรายังหนีหน้ามันได้ ที่นี่ไปไหนเราก็เอาหน้าเราไปด้วยเอาไปทั้งตัวเลยพอเห็นมันเป็นทุกข์นะหนีไม่ได้ต้องอยู่กับมันทำอย่างไรจะอยู่กับมันอย่างไม่ทุกข์ได้ทำอย่างไรจะอยู่กับเสือโดยเสือไม่กัดได้อยู่กับมันรู้ทันมันไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันคุ้นกับมันอยู่กับมันไปแต่ไม่ยึดถือมันมีอยู่แต่ไม่ยึดถือคนชอบคิดว่าพระอรหันต์ไม่มีขันบ้าสิไม่มีขันแล้วจะพูดได้อย่างไรจะเดินได้อย่างไร พระอาหารหันต์ก็มีขันแต่ไม่ยึดถือไม่ใช่ว่าไม่มีนะพระอาหารหันต์มีก้อนทุกข์อยู่ไหมขันก็เป็นก้อนทุกข์เหมือนปุถุชนทั้งหลายนั่นแหละเหมือนหมาเหมือนแมวด้วยก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่ยึดถือผิดกันเท่านี้เองฉะนั้นถ้าเราเห็นด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งรู้ว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นทุกข์ล้วนๆแถมหนีไม่ได้อีกพอหนีไม่ได้แล้วยอมรับความจริงว่าหนีไม่ได้ยอมรับว่าต้องอยู่กับทุกข์นี่แหละเมื่อไหร่ใจยอมรับทุกข์ ยอมรับว่าต้องอยู่กับทุก์แน่นอนใจจะไม่ทุกแล้วทุกขก็ส่วนทุกขใจก็ส่วนใจนี่ถ้าใครดูจนเห็นว่ากายนี้ทุกล้วนๆแล้วไม่ยึดถือกายก็เป็นพระอนาคามีแล้วเพราะจะหมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัชทั้งหลายทั้งปวงเพราะรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัชทั้งหลายทั้งปวงมันเนื่องด้วยร่างกายนี้ทั้งสิ้นเลยรูปนั้นก็อาศัยตาไปเห็นใช่ไหมเสียงก็อาศัยหูไปได้ยินกลิ่นก็อาศัยจมูกไปสัมผัส กระทั่งตาก็ไม่ยึดจะไปยึดรูปทําไมหูก็ไม่ยึดจะไปยึดเสียงทําไมใช่ไหมฉะนั้นดูลงมาในกายนี้จนหมดความยึดถือกายมันก็ไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอีกเมื่อไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะรูปที่ดีหรือเสียงที่ดีปรากฏนะกามบราคะก็ไม่เกิดรูปที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาเสียงที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาปฏิฆะคือโทสะก็ไม่เกิดพระอนาคามีเลยพ้นจากกรรมและปฏิฆะได้ มีแต่ราคาอย่างอื่นแทนเป็นราคาละเอียดเช่นชอบอยู่สงบสงบไม่อยากเห็นหน้ายโยมเลยเบื่อหน้าอยู่คนเดียวสบายอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นราคาที่ละเอียดราคามีสองอันที่ละเอียดคือรูปประราคะกับอารูปปราคะเรายังไม่ต้องเรียนหรอกเอาขั้นต้นให้ได้ก่อนเนี่ยพอไม่ยึดถือกายก็จะพ้นจากกรมและปฏิฆะได้เป็นพระอนาคามีดูใจของเราต่อไปใจของเราจะเหลือสองแบบ พอเราได้อนาคามีแล้วใจของเราจะมีสองอย่างเองคือจิตใจที่เป็นผู้รู้กับจิตใจที่เป็นผู้หลงเหลืออยู่เท่านี้นะเวลาที่จิตมันเป็นผู้รู้นะรู้สึกมันมีความสุขมีความสุขมากจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงผู้เสพอารมณ์ผู้ทาอย่างโน้นผู้ทำอย่างนี้เออจิตอย่างนั้นเป็นทุกข์เห็นจิตมีสองอัน ฉะนั้นพระอนาคามีจะสงวนรักษาจิตผู้รู้รักยิ่งกว่างูจงอางห่วงไข่นี่สำนวนโบราณสำนวนยุคนี้เราไม่รู้จักแล้วงูจงอางมันจะห่วงไข่อย่างไรว่านึกไม่ออกหน้าตามันเป็นอย่างไรยังไม่รู้เลยไม่รู้จะเหมือนอะไรห่วงอะไรแล้วยุคนี้พระอนาคามีจะสงวนรักษาจิตผู้รู้เพราะเห็นว่าถ้าอยู่กับจิตผู้รู้แล้วไม่ทุกขถ้าหลุดไปจากจิตผู้รู้แล้วทุกข์นี่แหละ การที่ยังรักตัวนี้อยู่เป็นราคาที่ละเอียดแล้วยังผูกพันอยู่กับตัวผู้รู้ทีนี้ตัวผู้รู้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้เพ่งอะไรอย่างนี้วนเวียนอยู่เดี๋ยวเป็นผู้ผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองหน่อยๆไม่หมองมากหรอกไม่เหมือนพวกเรานะมองมืดตึื้อเลยไม่ค่อยสว่างพระอนาคามีหมองนิดๆคล้ายๆหมอกลงเท่านั้นแหละของเราเหมือนไฟไหม้อย่างรถยนต์ ดำมากไม่เหมือนกันหรอกแต่ก็หมองๆมองๆก็ทนได้นะพยายามรักษาตัวผู้รู้รักษาไปรักษาไปวันหนึ่งหมดสติปัญญาแล้วรู้ว่าทำอย่างไรตัวผู้รู้นี่ก็ยังเสื่อมได้อีกเห็นไหมไม่มีอะไรเลยที่เที่ยงไม่มีอะไรเลยที่เกิดมาแล้วไม่ดับกระทั่งตัวผู้รู้พอใจมันยอมรับความจริงคราวนี้ก็อยู่กับรู้นี่แหละมันจะเป็นอย่างไรก็ได้ไม่ยึดมันหรอกหมดความยึดถือจิตนะ ตัวที่หมดความยึดถือจิตนี่มันที่สุดอาศจันที่สุดมันคล้ายๆเราประคองรักษาจิตมาตลอดถึงวันหนึ่งโอ้ไม่ได้เรื่องทิ้งไปเลยบางคนทิ้งนุ่มๆบางคนเหวี่ยงตุบกระเด็นออกไปเลยโลกาธาตุนี่เสะเทือนเลยความจริงโลกาธาตุนี่ไม่ได้สะเทือนหรอกใจมันสะเทือนขึ้นมาใจมันเสะเทือนหลุดออกจากสิ่งที่ห่อหุ้มจิตปกติจะถูกอาสวะกิเลสคลุมไว้ถึงวันที่ปล่อยวางจิตมันแหวกอาสวะขาดสะบั้นออกไป พอขาดสะบ้านออกไปคล้ายๆลูกโป่งสวรรค์พอลูกป่งแตกแก๊สของมันที่อัดในขอบเขตที่จํากัดกระจายไปหมดเลยไร้ขอบไร้เขตไร้ที่ตั้งไม่รู้อยู่ตรงไหนถามว่ามีไหมมีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนจิตพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนอย่างเวลานิพพานนะเหมือนไฟที่ดับไปถามว่าไฟที่ดับมันสูญไหมไฟที่ดับไม่ได้สูญ น, นะแต่มันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้มันกระจายเต็มโลกธาตุไปตังหาก ตรงไหนก็มีตรงนี้ก็มีพระพุทธเจ้าไหว้ได้นะตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีพระพุทธรูปตรงไหนก็ไหว้ได้เราก็เจอพระพุทธเจ้าหมดแหละเจอนิพานตรงนั้นเลยฉะนั้นอยู่ที่พวกเราภาวนานะหลวงพ่อถือว่าพวกเราทุกคนเป็นคนมีบุญเราได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรามีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วเราต้องปฏิบัติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปวันหนึ่งเราจะได้รับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลย ในโลกไม่มีความสุขหรอกในโลกมีแต่ทุกข์ถ้ายังต้องอยู่กับโลกทำอย่างไรจะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่กลุ่มใจอยู่กับทุกข์ก็ต้องยอมรับมันสิมันทุกข์นะทำอย่างไรมันก็ต้องทุกข์ที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ยอมรับความจริงเช่นเราต้องมีชีวิตอยู่อย่างนี้เรายอมรับมันไม่ได้เราก็ทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่ามันทุกข์แน่ๆอยู่แล้วใจเป็นกลางกับมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้แล้วมันไม่ทุกข์ด้วยแล้วไม่อิน วงเล็บเปิดมีอารมณ์ร่วมวงเล็บปิดกายก็ทุกไปใจก็ทุกไปสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเจอคนที่รักบ้างพลัดพรากจากคนที่รักบ้างเจอคนที่เกลียดบ้างอะไรอย่างนี้ใจเป็นกลางถือว่าทุกอย่างมันธรรมดาทุกอย่างสมเหตุสมผลถ้าเป็นอย่างนั้นใจก็ไม่ทุกแล้วพวกเราชาวพุทธวันหนึ่งเราจะพ้นทุกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกคือกายกับใจสอนวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก คือมีสติรู้กายรู้ใจรู้จนแจ่มแจ้งเห็นความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจก็หมดทุกข์เท่านั้นเองคราวนี้อยู่กับกายก็ไม่ทุกข์เพราะกายอยู่กับใจก็ไม่ทุกข์เพราะใจอยู่กับอะไรก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะฝึกไปเรื่อยอยู่ไปอย่างนั้นแหละวันหนึ่งก็ธาตุขันแตกดับอย่างพวกเราเวลาธาตุขันแตกดับเราจะตายใช่ไมกลุ่มใจกลัวเวลาพระอารหันต์คิดถึงความตาย ความแตกดับของาธาตุขันนะฮึกเหวเหมือนคนจะกลับบ้านแล้วโอ้ไปเที่ยวร่อนเร่มานานจะกลับบ้านแล้วไปไปสิทีไอตัวนี้อยู่กันมานานแล้วเบื่อใจมันไม่เหมือนกันพวกเรามีบุญแล้วนะเราต้องต่อบุญของเราให้มากขึ้นด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเราพ้นทุกข์พอเราพ้นทุกข์แล้วเราเข้าใจหลักการปฏิบัติแล้วเราก็ช่วยสงเคราะห์กับคนอื่นช่วยกันบอกต่อไปหน้าที่ของชาวพุทธมีสองอันอันที่หนึ่ง ทำประโยชน์ให้ตัวเองให้ถึงพร้อมคือพ้นทุกข์ให้ได้อันที่สองประกาศธรรมะแห่งความพ้นทุกข์นี้ออกไปช่วยเหลือคนอื่นซึ่งเขายังมีโอกาสคนไหนมันดื้อมันด้านมันโง่เง่ า, งาพวกโง่ก็คือพวกดื้อ น, นั่นแหละทําไม่โง่ไม่ดื้อหรอกพวกนี้จะไปติดอะไรอยู่ยึดถืออะไรเก่าๆมันแก้ไขไม่ได้พวกนี้ก็ปล่อยไปนะเราไม่สามารถอุ้มคนทุกคนให้ไปนิพพานได้ เบื้องตน้นถึงเราไม่เป็นพระอระหันต์เราเป็นปุถุชนที่ดีเรียกกาละยาณปุถุชนคือปุถุชนที่มีศีลมีธรรมมีสติดํารงชีวิตอยู่กับโลกอย่างมีสติความทุกข์ก็จะลดลงไปได้ตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วนานๆมีทุกข์แรงๆมาสักทีหนึ่งทุกข์น้อยๆค่อยๆหายไปฝึกมากเข้ามากเข้าจนวันหนึ่งไม่ทุกข์เลยเป็นสภาวะที่สมบูรณ์เรียกว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เราทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตสำเร็จแล้วคือพ้นทุกข์ได้แล้วก็ช่วยกันประกาศธรรมะออกไปนี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะควรจะช่วยตัวเองให้มากที่สุดด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจไปเช่นภาวนาแล้วก็เอ๊ะใจมันว่างๆมาหลายวันแล้วถูกหรือไม่ถูกนะตอบได้เลยว่าไม่ถูกหรอกอะไรมันจะเที่ยงถ้ารู้สึกภาวนาแล้วมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเที่ยงขึ้นมานะผิดแน่เพราะมันต้องไม่เที่ยง ภาวนาแล้วดิฉันมีความสุขสบายนี่เพียงแล้วหรือบางคนภาวนาแล้วเครียดตลอดเวลาเลยภาวนาแล้วเครียดก็ผิดอีกไม่ต้องถามหรอกผิดแง่แง่ผิดแน่นอนเพราะจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตจิตที่มีสติมีปัญญามันไม่เครียดหรอกจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนี่คําถามเยอะแยะตอบได้ด้วยตัวเองนะถ้าสังเกตเอาเรียนหลักให้แม่นแล้วก็ดูว่ามันถูกหลักมันผิดหลักอย่างไรหลักนะหลวงพ่อก็สอนทุกวันอยู่แล้ว ทำามไรมันขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ผิด